ตอนนี้เราก็เข้าสู่การเดินจงกรมกันหน่อยวันนี้การเดินจงกรมนี่เป็นการเจริญสติอีกอย่างหนึ่งในส่วนของกายานุปั ส, สนาของสติปัฏฐานส่วนที่เป็นกายานุปั ส, สนาเพราะว่าในอิริยาบถหรือการยืนนั้นมันจะ สร้างความรู้ตัวเป็นอิริยาบถ ท, ที่ให้สติเป็นที่ตั้งอยู่ที่กายมันระลึกลงไปที่กิริยาคือเทา้าแล้วก็รู้ในจุดที่ตนระลึกนั้นตัวผู้รู้มันก็เกิดขึ้นนี่คือการเดิน ในการเดินนั้นมันมีกระบวนการกับมันเช่นว่ายืนใช่ไหมมีการยืนยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบแล้สุดท้ายมันก็หยุดยืนหมุนมันไม่ต้องให้ละเอียดถึงขนาดเตรียมหมุนเตรียมยกแล้วก็ยกเตรียมย่างแล้วก็ย่างไม่ต้องถึงขนาดนั้น เพราะว่าเราเราต้องรู้จักคบว่าผู้รู้ถ้ามันตรงจุดของผู้รู้รู้เท้านี่รู้เทาเ้เทาซ้ายเนี่ยจิตระลึกปุ๊บเข้าไปสู่จุดนี้แล้วใช่ไหมรู้คลออยู่ขยับให้มันรู้สึกขยับให้มันรู้สึกยกจิตระลึกถึงการยกรู้ถึงการยกมีความรู้ตัวในการยก ระลึกและรู้อยู่ด้วยการคลออยู่เนี่ยเนี่ยเป็นผู้รู้ย่างพอ ย, างาาอย่างระ ล, ลึกสู่การย่างนี้ก็รู้เหยียบลงระลึกสู่การเหยียบจิตรู้ระลึกลงไปแล้วก็รู้สู่การเหยียบแล้วก็กลับมาก็ย ก, กยไปอันนี้คือให้มันหลายจังหวะแต่ถ้าตังหวะเดียวระลึกไปที่เท้าสมมติเราเดินเส้นทางยาวเงี้ยระลึกที่เท้าพอย่าง ระลึกลงไปแล้วมันจะไปรู้ตอนการระลึกชัดตอนที่เหยียบระลึกก็เหยียบนั่นระลึกกับรู้เรียกว่าระลึกรู้สู่กิริยาของเท้าที่เคลื่อนอันนี้เรียกว่าผู้รู้ถ้าให้ตัวระลึกและรู้ระลึกรู้เกิดขึ้นในการเดินถือว่าถูกต้องแล้ว ไม่ต้องไปทําให้มันละเอียดมากให้ทำให้ละเอียดยังไงเห็นว่าอ่ะอย่างนี้ครัยืนเตรียมยกยกมีละเอียดมากเลยนะเตรียมย่าย่าเตรียมเหยียบเหยียบลเอียดมากเตรียมยกมีเตรียมยกนะโยก เตรียมยากมีเตรียมยากยังไม่ยากนะเตรียมไหมแล้วก็ยาเตรียมเหยียบยังไม่เหยียบใช่ไหมแล้เหยียบเงี้ยละเอียดมากจะเมื่อยปวดแะร็งแล้วเราก็เราก็ทําจิตผู้รู้ให้เกิดในกิริยาที่เราเดินรู้ยืนให้มันระลึกเราไปที่เท้าถ้ามันระลึกแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้ใช่ไหมในอิริยบทบางทีเราระลึกลงไปแล้วแต่ตัวรู้ ตัวที่รู้ในจุดที่เรารลึกมันไม่เกิดเพราะมันไม่ชัดเราก็ขยับขยับให้มันรู้สึกอย่านี้รู้สึกถึงไปในความรู้สึกนี้มันมีตัวระลึกและตัวรู้อยู่ครับที้เราก็เดินเวลาเดินเนี่ยสมมติว่าได้ทํามันไกลเราก็จะเดินก้าวเดียวกระแล้วเรารู้ตอนไหนรู้ตอนที่เหี่ยวใช่ไหมเราระลึกลงไปแล้วแต่เรารู้ตอนที่เห่ยว ต, ตัวผู้รู้มันจะ ก, กระจางจะใสเป็นบางครัง้งเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราลงไปเนี่ยรู้มั่งไม่รู้มั่งใช่ไหมแต่แต่พอเราระลึกลงไปแล้วให้ตัวรู้ไปจับจุดที่ระลึกที่รู้สึกที่ขวานเท้านี้มันจะใสขึ้นมานนเวลาระลึกกับรู้สู่กิริยาที่ถูกระลึกที่ถูกรู้มันจะเกิดความใสขึ้นมาตรงนี้แต่มันจะไม่ใสตลอด มันจะใสทุกครั้งที่มันรู้มันรู้ทุกร้มันจะใสุ่กครัีรู้ที่รมจะใส่ทุกครั้งที่รู้สึกเพราะนั้นรู้แต่มันไม่ใสก็มีเพราะถ้าเราเดิน้าวเรารู้รู้ว่าแต่มันไม่ได้ส่ทุก้าวทั้งถ้ารู้ทุกข้าวมันจะเกิดอะไรถ้าใส่้อยกมันจะเกิด ใส่ก like, ็เข like so ้าใจก็ว่าสระลึกแล้วก็มีรู้ถ้าเราลึกได้ราลึกไปม่ตัวระลึกไม่พึงนไอตัวรู้มา่ถ้าราลึกไงตัวรู้มาก่อนมันก็ไม่ใ่นรู้แต่ถ้าตัวระลึกเราลึกดีถ้าเปรียบตัวระลึกนน้เหมือนตัดเษนแต่ไม่ได้เศษนาเศตนาทันใจหมายถึงว่าตัวระลึกเนี่อย่างราลึกไปที่อย่างเงี้ยอ่ารระลึกปุ๊บราลึกมันรู้ ราลึกแล้วก็รู้มันจะใสตรู้มันจะใสเราลึกไปก่อนแล้วรู้รที่รึกราลึกไปก่อนแล้วรู้ที่รึกมันจะใสทครั้ที่มีการรู้รึกอาจารย์แล้วถ้ามันได้ใสจำนวนเก้าที่โราที่ยากนะได้ได้ความเพียรนะได้ต่อเนื่องนะโอ้โห ฉันทะจะมาฉันทะจะมาไม่เกินเราจะมาเชื่อว่าไม่เกิน5้าไม่เกินห้กาก้า็เดินดวความเพียนปกติก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ20นาทีหรือ30นาทีถ้าเดินช้ามากมันจะง่วงง่วงไหม ง, ง่วงโดยเฉพาะเวลานี้นะมันเหมาะมาก <c oughs> ถ้าเดินช้ามากจะง่วง แล้วพยายามอันนี้อีกอย่างเราจะไปสร้างไปสร้างตัวระลึกเป็นฐานของรู้โดยไม่จบเือเช่นเช่นเดินเดิมนั่งเนี้ยเนี้ยคือคือถ้าเราประสานอย่างนี้ใช่ไหมกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและประสาทซึ่งเขาจะต้องมีตัวรู้ตัววิญญาไม่ใช่รู้นะจะต้องมีวิญญาเข้าไปรับรู้อยู่เรื่อย เารามุ่งี่ลายมือที่ขดมั่งที่จับมั่งมันเลยเป็นภาระทางห้ไอ้ตัวรู้ที่จะเข้าไปอยู่ในทรารูเนี่ยมันมีกำลังเบาเพราั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะที่หลวงปู่พ่อมี่ของอะไรตัวนี้ของพ่มาทีนี่เขาเป็นตัวอย่างได้คือไม่เก็บหน้าก็เก็บหลังใ่ไไอ้เก็บหน้ามันจะมีตัวหลังนะแต่เก็บหลังบางทีมัน แขนมัจะตึงถ้าเก็บหลังถ้ายกเนี่ยโอ้ยมันจะตึงแป๊เดียวเดี๋ยวมันก็เมื่อยแต่ถ้าเก็บหน้านี่ถ้าคนมีพุงอย่างประมาณนี้ะยกขึ้นมาหน่อยนี้นะยกขึ้นมานี้หน่อยแลวมันสบายเพราะมันมันมีพุงมันมีพุงที่พุมีเนี่ยแล้วอ้าวเราจะต้องปรับหาหาจุดที่มันมันสบายสบาย โยมทไม่ได้โยมดูดัสบายมากเห็นไหมดูไหมไม่สบายมากมือวางแล้วทิ้งเลยมือวางแล้วทิ้งเลยมือสบายวางแล้ทิ้งเลยมือสบายมือไม่มีเออฮะทีีทาือทาถ้าเป็น่หลังของัณนีู่ก่้งนล วันนี้ผมมาผมมาก็คือคุกผมผมก็ไหลเลยว่าหังสบายวางกันหลังเชายซ้ายกันใช่ไหมว่าพื้นราคายังอยู่วันราคาน่าทีนี้พอมันเดินแล้วไอ้ตัวระลึกกับตัวรู้นี่มันเข้าทันกันแล้วเราก็สามารถที่จะจะรู้แล้วเนี่ยผมบอกราสามารถจะรู้แล้ระลึกกับรู้นี่มันเข้าทันกันแล้วต่มือต่อ กอยแต่ว่าอย่าไปต้องแกว่งอย่างนี้ถ้าเขาจะแกว่งให้เขาแกล้งไปตามธรรมชาติของการขึ้นหวยของการถ้าเขแกล้งไปตามธรรมชาติการขึ้น่วยของการตัวรู้ก็จะไม่กัดแกล้งแล้วก็เวลาถุดปั๊บมันจะไม่ต้องหยุดเพราะว่ามันสามารถรู้ทถ้ามันสามารถรู้เ่าเดิมมางี้ ต no ้องไม่ลืว่าไอ้ตัวผู้รู้คือตัระึกแบบผู้ร้รลึกลงค์ไง้อมีทูตนำไปสู่สิ่งระลึกถ้าเขาสามารถจะได้เขาเป็นผู้เขสามารถสามารถจะได้เสร็จเาไปสุดปั๊บเปนได้ เต่เริ่มถ้าถ้าเขายไม่ทันเราจะต้องเอาไว้ทันด้วยวิธีการทำให้ช้าพอสุดปั๊บต้องหยุดเพื่อให้เราลึกลงไ้เพื่อให้รู้เท่ากันกับตัวที่ราลึกลงแลถ้าเดินช้าปล่อยมือนี่มีปัญหาปล่อยมือนี่มีปัญหามือมันจะเครมันเลยจะเก็บมือาเดินช้าเดินช้าีสนะ เดีเออ๋ยวเราก็มีสงสัยอะไรไหมเดินจงกลมเนี่ยฮะมีคำถามอะไรไหมเออถามทังด้านหน่อยนะฮะนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้ใช่ไหมก็คือจุดที่จิตมันระลึกลงไปตามความเป็นจริงก็คือกิริยาของเท้า ทั้งซ้ายและขวาที่มันที่มันจะต้องทำกิจอะ่ะที่มันจะต้องทำกิจอันนี้เข้าใจยังเคอำอว่า น, นิมิตของมันก็คือที่ต้องทำกิจแต่ท่านไม่ได้ขยายความตรงนี้ไว้ไงแต่เราเอาตามความเป็นจริงของมันสมมุติว่าที่ที่บอกว่าบางครูบาอาจารย์ท่านสอนนะเตรียมหนาเตรียมยางซานาเนาเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วนะ อันนี้คือนิมิตเหมือนที่ที่ที่ที่แคทพูดใช่ไหมเตรียมย่างซายจิตก็จะรู้ว่าไปข้างซายแล้วย่างซายหนอยไหมอยู่นิมิตไหมนั่นเป็นนิมิตแลยนะเหยียบสายหนอเป็นนิมิตไหมเป็นนิมิตซึ่งเราไม่ต้องให้ละเอียดถึงขนาดนั้นแค่ระลึกลงไปแล้วก็รู้ในจุดที่ระลึก ถ้าเราจะเอาให้มันละเอียดยกส้นระลึกลงไปที่ส้นยกขึ้นแล้วก็รู้ในจุดที่ส้นมันยกขึ้นพอยกย่างไปเนี่ยระลึกลงไปที่ย่างแล้วก็รู้ในในเท้าที่ย่างไปเหยียบระลึกลงไปได้แล้วก็เหยียบบางทีตัวระลึกมันจะต่อเนื่องใช่ไหมตัวระลึกมันจะต่อเนื่องแต่ตัวรู้เนี่ยมันบางทีมันจะกระโดดออกไปข้างนอกจะกระโดดออกไปจากที่เื่นจะพะเดินไปเดินไป เอออย่างไอ้เปิ้ลก็บยมโองแม่ลูกกันยมโอ่งไอเดินไปเดินไปไปถึงเจอเปิ้ลอลูกตัวเองนี่หว่าก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเ้ยเมื่อยไหมพอ <c ười> เห็นแล้วมันมีสัญญาปรุงแต่งไอ้ไอ้รู้ไปไงะรู้ก็หลุดออกตัวระลึกก็หายไปตัวระลึกก็หายไป อันเราต้องมาทําไงระลึกต่อแต่ถ้าพอเห็นปับ๊บเห็นปั๊บนะรู้แต่ไม่ระลึกไปคือรับรู้ว่าว่าเป็นลูกสาวตัวเองรับรู้แต่ตัวระลึกไปอยู่ที่กิริยาตัวรู้ก็จะต้องตามไปที่กิริยานะั้นเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราคือว่าที่ท่านบอกว่า ให้อินทรีย์ประชุมลงก็หมายความว่าให้มีศรัทธาวิริยะคือว่ามั่นคงต่อพระพุทธเจ้าต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มั่นคงต่อความเพียรของตนเองได้ก็ก้าไปรู้ไปก้าวไปรู้ไ ป, ไ ป, ไปแต่ถ้าเดินช้าช้ามันจะง่วงทุกคนแหละนิ่นก็ง่วงง่วงเห็นไหมเพิ่มรู้จุดเดียวไปก่อนแต่ใหม่ใมเอาช้าช้าก่อนสักนิดสักสินาที20นาทีแรกหลังจากนั้นแล้วก็ ระลึกลงไปแล้วรู้ไปในจุดที่ระลึกในกิริยาในกิจ ท, ท, ที่ตนกําลังทำํำก็จะได้เหมือนกันหมดทุกคนเอาละไปเชิญได้สังเกตไหมว่าการสวมรองเท้าเนี่ยเราไม่ระลึกไม่ค่อยถึงแล้วก็รู้ในจุดที่ระลึกอ่ะพอเราสวมรองเทา้าปั๊บเราก็จะต้องไปรู้อะไรรู้ทั้งเทา้าทั้งขาทั้งตัวเพราะว่ามันระลึกลงไปไม่ถึงไง เข้าใจป่ะมันจะต้องหาที่ที่เราเดินเนี่ยพยายามหาที่ที่มันถอดรองเท้าได้ให้ได้ก่อนนะหาที่ที่มันถอดรองเท้าได้ก่อนเพราะมันเหยียบปั๊บเนี่ยมันมันระลึกลงไปได้ชัดอ่ะเข้าใจป่ะระลึกลงไปได้ชัดแล้วก็รู้ชัดแต่ถ้าสวมรองเท้านะสวมรองเท้านะอะแผ่นที่มันจะมันไม่ได้รู้ที่ขวาเท้านะมันจะรู้ทั้งขาแล้วมันรู้ทั้งตัว ่ารกระจายไปอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องแนละ้วสิ่งที่ได้อะมันไม่คุ้มกับเวลาที่เราจะต้องเกิดน้อตัวที่ระลึกลงไปในจุดลงไปในกิริยาแล้วก็ตัวรู้ตามไปที่ตัวเองระลึกลงไปนั้นมันเกิดไม่ได้มันก็ได้แต่รู้รู้ไปรู้ไปรู้ไปแล้วเราก็มาใจกับพวกว่าก็รู้ไปได้เลยจิรู้ไปได้เยจิมันไม่ได้เลยนะ ตอนใจบอกตอนคิดอน่รีเนแต่เราู้ขาก้าไม่เอาจะเอาท้ามีสองัเมื่อมันมันคงแล้วมันจะกระจายทีหลังมันก็จะเป็นกสดาีงือวันรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยรู้ตรงเนี้ยแต่ด้วยใชู่ว่า พออะไรนรั้นเราต้องพมในกิริยาที่มันกําลังรู้อยู่เนี่ยพอมันแข็งแรงขึ้นมามันจะกระจายออกมาทีเ่เป็นเรื่องของผลของการภาวนาผลของการปฏิบัติเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราทําเหตุทำสี่ต้องเมื่อเท้าเราเหยียบทีน่นพรมเราเลื่อนสึกสบายกวาดเท้าแต่เม็่อถึงปูร้อนอ่ะ เราเราจับที่ทำร้อน่าเท้าหรือจับที่คุ่ที่นิ่งนไมเราเราไรู้สึกว่าเท้าเหนียบไปแรอนทรู้ว่เนแต่เราไปจับสัมผัสลงผิวเท้าที่ไม่ร้อนเร้อหนียความรู้สึกเท้าที่เหยอเท้า หรือถ้าามันเอะไรแค่รมันก็จะถามไดนะ้มีขนที่มันเคลื่อนไปมันขึ้นรู้รได้นที่เคลื่อนไปทเท่าเคลื่อนไปมันเป็นจิตมเป็นจิตเนตัวที่จิตระลึกลงไปแล้วมันก็รู้ได้ยกยกมันระลึกลงไปแล้วมันก็รู้วนะ่ายกยากเหมืยนแขวเนี่บ ถ้ามันระลึกไปถูกที่ยางได้มันก็รู้ไดเหยียบไปมันก็รู้ระลึกได้มันก็รู้ไดอันี้ยกระลึกลงไปแล้วก็รู้ไยารู้ระลึกได้ึกไปแล้วก็รู้เหยียบระลึกไป้ก็รู้แต่ถ้าเราใสรองเท้าอะรงเท้าเาไปรงป่าท้ารไว้ในความเจริงเนี่ย เราลงไป <ste al> ทำในานในในเนื้อนาจริงๆเราใส่รองเท้าไปตรวเดิมันมันไม่ไรู้นิจิตเพราะไอตัวที่ไปโดนพื้นเน่คือรองเท้ามันก็เลยทำให้พอเราพยายามรู้เนี่ยเราพยแยาเอรู้ทำให้มันรู้ในขาของเรารู้ขาที่ขาท่ก้าววนี้ไอจุดรู้ของเราคือรา้ กว้างไปและกลังพอก็เดินไปเรื่อยเรือไมารยเลอจจะได้ในการที่เห็นความคิดเช่นว่าจิตอที่ขาอยู่ที่กายเียนมันมีความคิดมาอาจจะเห็น้มีความคิดแต่เราคิดว่าการการที่เราได้เห็นความคิดนั้นมีสวยอดไมเรรูรอกจิงมากรู้หรวาทคนนี้เรื่ไทยเยบเเ มัมีคมคิมันก็เห็นเหมือนกันมันก็เห็นควาคิดตรนั้นเราก็ไม่ลืมว่าเราเราอะไรรู้ที่สติและสามประสัญญามีามรู้อมีควรูในจิตนิพนท่านั้นรเ e ้าอยมี <c 195 2> ้ยัถามมีหมมีก็ถามได้เชีย เอายืนจับหน้าหรือหลังก็แล้วแต่ท่ถนัดเอารู้ยืนรู้ยืนสังเกตไหมว่ามันมีตัวระลึกลงไปที่ไหนที่เท้าใช่ไหมอ่แล้วมันตัวรู้ถ้ามันไม่ชัดก็ยกขยับฝ่าเท้าให้มันรู้ในจุดที่ตนระลึกเออเอาละเอาทีนี้เอาก้าวเดียวจังหวะเดียวเลย ย่างแล้วก็เหยียบนะย่างแล้วก็เหยียบนะเอาระลึกย่างระลึกเหยียบรู้ตรงไหนรู้ทั้งรู้รทั้งย่างรู้ทั้งเหยียบใช่ไหมน่ะมันจะมีระลึกลงไปที่ย่างแล้วก็รู้ระลึกลงไปที่เหยียบแล้วมันก็รู้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้มันไปรู้นะแต่ตัวระลึกเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องกึ่งการกำหนดตัวระลึกถ้าไม่มีการกึ่งการกำหนดมันไม่ไปเลยเข้าใจป่ามันก็จะไปที่มันชอบเลย เพาไอ้ตัวระลึกมันจะต้องไปในกึ่งของการกํราหนดระลึกไปย่างเอาระลึกยา่างเหยียบยา่างแล้วก็เหยียบยา่างแล้วก็เหยียบไอ้ตอนเหยียบนะรู้ใช่ไหมพอรู้เนี่ยมันจะใสรู้ตอนนี้ที่ว่าใสคือว่ารู้มันจะบริสุทธิ์รู้ในจุดที่มันระลึกมันจะบริสุทธิ์เราเลยเรียกว่าใส เดินไปถึงขอบโน้นสิให้ให้รู้ในจุดที่ตนระลึกงะไปงั้นนะเดินไปถึงตรงโน้นสุดปับป๊บหยุดอ่ตอนนี้ก็ตามถนัดเลยเอ่อ ถามมีคำถามอีกไหมอพอสาธุเดินดีด้วยนะเนี่ยเอาเมื่อกี้ที่ถามตกลงตกลงว่าไงอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมนั่นแหละทำาให้มันทดสอบจนให้มันมีสภาวะรองรับอย่างนั้น่ะพอราะ ล, ะลึกปั๊บมันจะรู้จริจรงๆมันจะไปชัดตอนที่เราเหยียบเลยไอตอนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันยังไม่ชัด แต่ถ้าเรารู้ที่เหยียบรู้ตรงที่เราระลึกลงไปตอนที่เราเหยียบนั้นพอมันรู้นั้นแข็งแรงมันจะขยายออกมาแม้แต่เราก้าวไปมันก็ระลึกรู้ได้ต่อไปมันจะระลึกรู้ได้ระลึกรู้ได้ระลึกรู้ได้ระลึกรู้ได้ระลึกรู้ได้อ่